คงเข้าถึงในเรื่องของการเจริญพรมวิหารต่อไปการเจริญพรมวิหารอ่าพรมนี่แปลว่าอะไรพรมนี่แปลว่าอะไรพรมแปลว่าอะไรแปลว่าประเสริฐนะวิหารแปลว่าอะไรอัะนนะัก็คือ ในที่นี้หมายถึงตัวเมตตาก็แสดงว่าเครื่องอยู่อันประเสริฐนั่นเองนั้นถ้าเราทั้งหลายเจริญพรหมวิหารบ่อยๆก็แสดงว่ามีที่อยู่อันประเสริฐแล้วนะทําที่อยู่ะนั้นการศึกษาที่อยู่อันประเสริฐสูงสุดเหล่านี้คือเมตตาเป็นต้นนั่นน่ะจะได้มีที่อยู่นะจะได้คนมีที่อยู่ก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมอันนี้ถ้าใจของเราทั้งหลายมีเมตตาเป็นต้นเราก็ไม่ร้อนเพราะไฟคือโธสะเป็นต้นนั่นเองแผดเผา เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ร้อนก็เพราะถูกไฟคือโทสะเป็นต้นนั่นแหละแผดเผาเมื่อมันแผดเผาเนี่ยมันเผาตัวเองด้วยนะโทสะเนี่ยเผาสัมปยุตตาธรรมคือเผาอะไรสัมปยุตตธรรมเผาผัสสะที่เกิดร่วมกับโทสะด้วยนะโทสะเมื่อเกิดขึ้นนะเผาทั้งโทสะเผาทั้งผัสสะเวทนาสัญญาเจตนามันเผาเวทนาจนเวทนาต้องเป็นทุกข์อ่ะนะ มันเผววิตกเผววิจารเผวอธิโมกเผววิริยะเผวฉันทะปีติเนี่ยเหือดแห้งนี้ไปไหนไกลเลยไม่เกิดเลยอ่ะเั้นคนโกรธเนี่ยไม่มีปีติแน่นอนโกรธไปยิ้มไปของของมีปะสงสัยสลับกันแต่หายากหน่อยนั่นแหละเพราะนนั้ถ้าโกรธเกิดขึ้นปีติจะไม่เกิดเลยมีแต่ฉันทะฉันทะนี่มันชอบโกรธนะมันมันลื่นเลยมันไหลอลยฉันทะนี่แค่ให้มันฉันทะความเต็มใจนะ มันเต็มใจโกรธอะแต่มันไม่ชอบเรื่องที่มันโกรธนะโทสะเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยพอใจในตัวเองแต่ไม่ชอบอารมณ์อะที่มันโกรธเพราะมันรังเกียจอารมณ์มากปฏิฆะนิมิตอารมณ์เหล่านั้นเป็นปฏิฆะนิมิตอันโทสะนี้เมื่อเกิดขึ้นก็จะเผาแม้กระทั่งสัมปยุตธรรมที่เกิดร่วมทั้งหมดเลยนะเสร็จแล้วเผาจิตตชรูปด้วยนะเผาปิดจิตตชโรปที่แผ่ออกมาทางกายทั่วสารพางกายทั้งหมด มันจะแร่ออกมาหมดเลยเสร็จแล้วถ้าล่วงมาทางกายกรรมแสดงออกยกมือยกไม้ด้วยอำนาจของโทสะเป็นต้นนะบางทีเนี่ยคนโกรธบางทีเนี่ยมือเนี่ยสั่นเลยนะหัวใจก็เต้นแรงขึ้นสุขภาพในส่วนต่างๆนี่ไม่ดีหมดเลยถ้าเป็นคำพูดคำพูดนั้นจะวิบัติทันทีนั้นซึ่งเหตุมาจากโทรสระเนี่ยมันเผาแล้วก็มันเผาถึงคนรอบข้างด้วยนะ มันเป็นรังสีอ ม, มหิตที่มันแผ่ออกไปใกล้ๆคนหงุดหงิดอยู่คนเดียวมานั่งอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่นั่งยิ้มไม่ออกแนะ่นะั่นนะคนมานั่งร้องไห้ฟูมฟายอยู่สักคนหนึ่งเนี่ยไม่มีใครยิ้มแน่ใช่ไหมเพราะว่าโทสะนี่ร้องไห้ฟูมฟายมันก็เผาคนรอบข้างนันะถ้าหากว่าคนนั้นมีบุญขนาดไหนถ้าคนนั้นเครียดนะมันมีผลไปถึงหางหมดเลย ถ้าคนนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวนะถูกไฟคือโทรสะเป็นต้นเผาเนี่ยมันเดือดร้อนถึงลูกเล็กเด็กแดงหมดละนะนะถ้าเขาผู้นั้นเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าจังหวัดหัวหน้าอำเภอหรือระดับประเทศเป็นระดับพระราชามหากษัตว์ถ้าท่านเครียดขึ้นมาแล้วก็เดือดร้อนกันทั้งบางหมดแหละเดือดร้อนกันทั้งประเทศถ้ายิ่งคนมีบุญมากคนเดียวโกรธคนเดียวนี่เดือดร้อนทั้งโลกเลยนั่นแหละ มันก็แล้วแต่อันุภาพของว่าวิบากกรรมชรูปที่มันรองรับก่อนที่โทสะจะเกิดเนี่ยของใครนะงนั้นไอ้วิบากกรรมชรูปอันนั้นมีความสําคัญมากถ้าหากว่าวิบากกรรมชรูปเหล่านั้นของคนที่มีบุญมีบริวารมียศมีตําแหน่งมีคุณธรรมชั้นสูงๆมีอีกหลายเรื่องนะอั้นโทสะอันนั้นถ้าเทียบความโกรธกับคนทั่วไปแล้วโกรธเท่ากัน แต่ความที่เขาเป็นคนมีบุญมากอ่ะมันเลยกระเทือนถึงอย่างอื่นเนี่ยมากนั่นไงอันโทสะนั้นเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยในขณะที่เกิดขึ้นก็แผดเผาอย่างที่ว่าไปแล้วแล้วในขณะเดียวกันโดยปัจจัยนั้นเป็นเหตุตปัจจัยของสัมปยุตธรรมเป็นเหตุปัจจัยของจิตตะเชรบด้วยพระองค์จึงยกเหตุตปัจจัยขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยอันโทสะก็คือกลุ่ม เห hey, ตุัวปัจจัยนั่นเองตัวเหตุมันเป็นรากแต่คําว่าเหตุในที่นี้แปลว่ามันเป็นรากของความคิดอันนั้นเถ้าไ อ, ไอ้รากอันนี้มันเกิดขึ้นเยอะๆนะมันจะเป็นพิษออกมาถึงกับทำรรชั่วทางกายทางวาจาไปแล้วเจตนาที่เกิดร่วมกับโทสะมันก็ซื่อสัตย์นะเป็นตระกูลนานักขัติฏฐิกัมมะปัจจัยโทสะเกิดขึ้นปั๊บชวนะดวงที่หนึ่งเป็นทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรม กรรมที่สามารถให้ผลได้ในชาตินี้นะแล้วแต่คุณภาพของความโกรธถ้าคุณภาพของความโกรธอันนั้นมันโกรธร้ายแรงมากให้ผลเร็วหน่อยถ้าโกรธอ่อนๆก็ให้ผลช้าอีกนิดหนึง่งนะนั้นชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้ดวงที่เจ็ดชาติหน้าสองถึงหกนะก็ชาติที่สองเป็นต้นชาติที่สามเป็นต้นไปนั้นใครอยากทุกข์มากๆก็โกรธบ่อยๆเข้าไว้นั่นแหละ แล้วไม่ต้องร้องหาเลยนะเพราะเพราะเหตุไว้แล้วพูดอย่างนี้ไม่ได้ส่งเสริมแต่เล่าว่าเออถ้าสะสมเหตุแบบนี้จะให้ผลแบบนี้นะอันนี้โดยกรร ม, มปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยอีกต่างหากนะโดยอุปนิสัยปัจจัยแล้วโทสะนั้นอนะ่ะวันนี้โกรธเท่านี้พรุ่งนี้จะโกรธมากกว่าเก่าสมมติอย่างเช่นชีวิตครอบครัวนี่นะสังเกตจากพ่อบ้านแม่บ้านเขาทะเลาะ ก, กันอนะ่ะจริงเขามีเรื่องกระทบไปะทา่งกันเล็กๆน้อยนก่อน แล้วก็ค่อยเก็บบวกหนึ่งสามสีเ่เพิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยเพิ่มเพิ่มจนถึงกับบ้านแตกเลยก็มีนะบางขั้นก็ต้องพอทะเลาะกันเสร็จก็ส่งแม่บ้านเข้าโรงพยาบาลเลยอย่างเงี้ยเพราะมันสะสมมันอนแลนะมันก็ค่อยพอกพูนสะสมไปอย่างเงี้ยั้นอันนี้ตระกูลอุปนิสัยปัจจัยนะแล้วสายโทสะนั้นถ้าผู้ใดที่เปี่ยมล้นไปด้วยโทสะพบเป็นที่อยู่ของโทสะคือนรกนะ คติของโทสะนั้นพาให้ไปสู่ในนรก น, นะถ้าหากว่าโทสะนั้นไปร่วงกายกรรมกับผู้มีธรรมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งลึกเท่านั้นแหละนะถ้าหากว่าไปด่าก็ด่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ ย, ยังชั่วหน่อยก็บาปน้อยหน่อยแต่ถ้าไปด่าพระอรหันต์ด่าพระพุทธเจ้าด่าผู้ที่มีคุณงามความดี น, นี่โทษมากมายมหาศาลนนงะั้นการเจริญเมตตาก็คือเป็นน้ํานะ ตะบะและพรหมจรรย์ไม่ใช่น้ําแต่ก็เป็นเครื่องชําระชําระโทสะอันนี้ขึ้นนะน้ำถึงมีน้อยมันก็ดับไฟได้น้อยถ้ามีมากมันก็ดับไฟได้มากมีมากๆขนาดไหนก็ดับได้เท่านั้นเมตาก็เหมือนกันถ้าเกิดขึ้นในจิตของบุคคลใดมากเท่าใดมันก็จะระ ง, งับดับความเร้าร้อนเมตาก็เป็นปัจจัยเหมือนกันแต่เป็นเหตุปัจจัยก่อนในขณะที่เกิดขึ้นเป็นอะโทสะเจตสิกเป็นราก ถ้าอโทษะอันนี้เกิดขึ้นมาก็จะทำให้สัมปยุตธรรมเนี่ยแช่มชื่นเวทนาก็เป็นเวทนาอะไรเวทนาส่วนใหญ่ก็เป็นโสมนัสเวทนานะถ้าสายเมตตาจริงๆเนี่ยนะคนจะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสจะเป็นคนมีโสมนัสบ่อยๆมีปีติเกิดร่วมด้วยปีติก็จะงอกงามเจริญขึ้นพัรษะวิตกเป็นต้นก็เป็นวิตกที่ดีเป็นอพยาปาทวิตกหรือเป็นอวิหิงสาวิตก สัญญาก็เป็นอัพยปาธาสัญญานะสัญญาอันนั้นเป็นอัพยปาธสัญญาวิตกเป็นอัพยปาธวิตกนะฉะนั้นโสรภะธรรมกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นนะศรัทธาก็จะเกิดขึ้นวิริยะก็จะเกิดขึ้นสติก็จะเกิดขึ้นฮิริโอตปะก็จะเกิดขึ้นคนที่ละโทสะได้มากเท่าไหร่ศีลจะดีเท่านั้นนะ สมถะศีลเนี่ยเป็นตัวเป็นธรรมะละสายโทสะถ้าสมถะเนี่ยเป็นตัวละสายโลภะถ้าวิปัสสนานั้นเป็นตัวละสายโมหะฉะนั้นคนมีเมตตาจริงเท่าไหร่คนนั้นเนี่ยจะมีศีลดีเท่านั้นคนที่โกรธเนี่ยศีลไม่ค่อยดีหรอกอ้าวโกรธเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ศีลก็ไม่เหลือและใช่ไหมอินทร์สังอนศีลก็แตกก่อนแหละ ปัจยาศีนนิสิตศีลก็ไม่เกิดนั่นแหละเั้นกายกรรมวจีกรรมที่เป็นไปกับโทสะปาติโมฆะสังวรปาติโมฆขสังวรศีนไม่ได้เกิดร่วมกับโทสะเนาะเพราะนั้นสรุปแล้วโทสะเกิดขึ้นศีลก็ไม่เหลือสักอย่างแต่ถ้าอะโทสะเกิดขึ้นกุศลศีลก็จะเกิดอะโทสะตัวนั้นเนี่ยระดมทําให้ฮิริโอตปาเนี่ยเกิดขึ้นฮิริโอตปะเมื่อเกิดขึ้นก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีล เมื่อศีลเกิดขึ้นโอ้ยอย่างอื่นนี่มาอีกเวรพรนกายกรรมก็ไม่มีโทษวจีกรรมก็ไม่มีโทษอนนัันนน้แล้วรักษาจิตตะรชริด้วยนะจิตอันนั้นทําให้จิตตะรชริมีคุณภาพจิตตะเชิญที่มีคุณภาพก็ไปหล่อเลี้ยงไปเกื้อกูลกรร ม, มาชาเปให้ผ่องใสด้วยไปทําให้กรรมมาเชาิญผ่องใสไปทําให้อาหารชชิปทํากิจอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะไปทําให้อุตุชเชิญนี่อยู่ในระดับ ความสมดุลที่เหมาะสมเลยนั่นแหละหัวใจก็เต้นดีโรคภัยไข้เจ็บส่วนอื่นๆก็ไม่เกิดง่ายๆการไหลเวียนของเลือด ก, ก็ดีขึ้นพวกกลุมจิตตะชุบก็จะเกิดขึ้นอันนี้ในเฉพาะตัวแล้วคําพูดของคนมีเมตตานะพูดเมื่อไหร่คนฟังก็สบายใจใช่ไหมพูดเมื่อไหร่คนฟังก็สบายใจเอ๊ะเมื่อไหร่ท่านจะพูดอีกถ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้านะคนนี้คอยร้อยเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมนะ คนเนี่ยจะเงียบๆหน่อยนะใครที่นั่งอยู่ใกล้ๆจะเกิดจะคุยกันเนี่ยเอาเขา่ากระทุ่งกันเลยเงียบๆภาษาสระเราจะแสดงธรรมแล้วเขาเคารพมากนั่นแหละหรือพระองค์แสดงเนี่ยจบก่อนเลยยังไม่ทันอิ่มเลยจบันแล้วพระพุทธเจ้ามีมีมบุญลักษณะนี้ภาษารีบยบบทก็เหมือนกันสำเนียงของท่านเนี่ยสนอเหมือนเสียงนกกระเวกถ้าบอกไอ้เสียงนกกระเวกเนี่ยเป็นยังไงคนก็พยายามเรียนแบบะนะว่าเอ๊จะทํายังไงให้เป็นเสียงนกกระเวกในพรานก็เข้าป่า ก็เอามาทนนําแครนนะนะเสียงแคนเนี่ยใกล้เคียงกับเสียงนกกระเวกที่สุดของของต่ตำนานไทยอ่ะนะตำนานไทยว่าลักษณะนั้นคือแคนนั้นถ้าคนเป่าเป็นเนี่ยนะเสียงก็สนะดีเหมือนกันเบานั้นคําพูดที่เกิดจากเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะคนฟังก็สบายใจและมีผลที่เป็นเป็นรูปธรรมในการเอาไปปฏิบัติตามด้วยสั่งงานด้วยโทสะกับสั่งงานด้วยเมตตาเนี่ยนะ ผลงานที่ออกมาก็แตกต่างกันเมื่อเกี่ยวข้องกับบริวารเกี่ยวข้องกับญาติเกี่ยวข้องกับพี่พี่น้องเกี่ยวข้องกับคนข้างเคียงเพื่อนร่วมงานถ้อยคําคําำเดียวกันนั่นแหละสั่งงานเขานะสั่งด้วยโทสะโทสะเนี่ยถ้าโทสะน้อยก็มีผลระดับนี้ถ้าโทสะมากถึงกระตะคอกฝังด้วยนี่จะมีผลไประดับนั้นถ้าเมตตาเหมือนกันคุณภาพของเมตตาขนาดนี้ได้งานเนื้องานขนาดนี้เมตตาขนาดนั้นได้เนื้องานขนาดนั้นขนาดนั้น ตามแต่คุณภาพของเมตตาอันนี้เกี่ยวการเกี่ยวข้องกับคนรอบอื่นกิริยาอาการเป็นต้นก็ไม่ลุกลิ้ลุกรนสภาพจิตก็ดีขึ้นอ่นนะเจตนาดวงที่หนึ่งมีผลใช่ไหมทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมก็ดีนะแล้วขณะเดียวกันถ้าเมตตาเกิดบ่อยๆนะเป็นประโยคสมบัติให้กุศลให้ผลด้วยนะเป็นประโยค้าสมบัติเลยกรรมในอดีตที่ทําไว้ตั้งแต่แฟนโกรชาติถ้าได้ช่องเออกรรมให้ผลดีเลยกรรมดีก็จะให้ผลละ อันนะนั้นชีวิตก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วชาวนะดวงที่หนึ่งก็ให้ผลในชาตินี้ดวงที่เจ็ดก็ให้ผลชาติหน้าอ น, นะัถ้าเจริญเมตตาจนได้ฌานเนี่ยนะเป็นคารุกรรมเลยนะดวงที่เจ็ดให้ผลแน่นอนเลยถ้าไม่เสื่อมนะถ้าไม่เสื่อมเนี่ยเป็นพรหมโลกไปพรหมโลกแน่นอนเลยมีปีติเป็นผักษาแล้วไม่ต้องกินข้าวแล้วไม่ต้องชันแล้วเนะ ไม่ต้องห่วงแล้วันนี่มีปีติเป็นผักษาเลยอยู่ด้วยเมตตาแต่แล้วถ้าคนที่มีเมตตาลักษณะนี้เนี่ยอุปนิสัยในชาติต่อๆไปก็จะดีแล้วอุปจาระหรือการช่วงที่ขณะที่เจริญเมตตาคิดดูว่ามหากุศลเนี่ยเกิดเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะคนที่เจริญเมตตาเจริญได้ชำนานนะอนั้สันนิสินโนสยานโนวาว่ากันที่พระองค์บอกว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยนะปราศจากความม่วงเหงาเพียงใดจิตใจก็เป็นไปกับเมตตาเพียงนั้นอนะ่ะ เพราวนะเป็นไปกับเมตตาตลอดเมื่อเป็นไปกับเมตตาตลอดเนี่ยโอ้สะสมชะวนะชนิดนั้นเท่าไหร่จะไหมมากมายมหาศาลเมื่อมีมากมายมหาศาลปัป บ, บุญกุศลเป็นต้นเนี่ยก็จะเกิดบ่อยคนที่กุศลเหล่านี้เกิดบ่อยๆนะเมตตาเนี่ยจะเป็นตัวทําให้ศีลเนี่ยดีขึ้นชําระศีลเมื่อเมตตาดีอย่างนี้ครับจะต่อสมถะสายอื่นๆก็ไม่ยากนะจะต่อสมถะสายอื่นๆเช่นพุทธานุสติก็ ไม่ยากทำมนุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติให้ก็ง่ายขึ้นนะทานนี้ก็ให้ง่ายขึ้นเป็นต้นเทวดานุสติก็จะเจริญไม่ยากโอ้เทวดาเขาเขามีบุญอย่างนี้เองนะเขาจึงได้เกิดเป็นเทวดาเทวดาไม่ไม่มักโกรธอย่างนี้เขาจึงได้เกิดเป็นเทวดาโอ้เราก็ไม่ค่อยโกรธเหมือนกันนี่แสดงว่าญาติญาติเราทั้งนั้นแหละเทวดาเหมือนงั้นเมื่อก่อนนี่ก็จะอ้อนวอนอย่างเดียวนะเทวดาจะค่าช่วยด้วยอย่างนี้นะอ้อนวอนเหลือเกิน แต่ถ้าเรามีคุณธรรมไประดับหนึ่งจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นต้องเป็นคนขอเลยในขณะเดียวกันถ้าใจเราดีจริงๆนะเราไม่ต้องรู้สึกขอเทวดาเลยเรากลับเป็นคนที่ให้เทวดาให้ว่าอย่างไงขอให้เท พ, พเจ้าทั้งหลายมีความสุขความเจริญนะขอให้อยู่ดีมีสุขนะให้เทพเนี่ยสวยทิ่ผสมบัตนา น, านนะมีความสุขความเจริญว่างๆก็ไปฟังคำบ้างนะอย่าเพลิดเพลินนักในกามาคุณอันเป็นทิพย์อย่างนั้น ก็จะเจริญเมตตาให้เทวดาก็ได้นะคนมีเมตตาจริงๆเนี่ยจะเจริญเมตตาให้เทวดาแต่ถ้าคนไม่ค่อยมีเมตตาจะขอส่วนบุญจากเทวดาโอ้ยช่วยมกักะิบฝันบ้างกยังดี <c oughs> นั่นแหละมันก็ตรงกันข้ามมันก็จะเริ่มกระจายตัวไปเรื่อยๆถ้าคนที่เจริญมากๆอุปนิสัยก็จะดีขึ้นสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็จะง่ายอย่างที่ว่าไปอันนั้นคนสายโทสะนั้นน่ะถ้าเจริญเมตตามากๆ คำสอนจะลึกซึ้งเท่านั้นเนี่ถ้าเมตตามากเท่าไหรเขาจะลึกซึ้งในคำสอนมากเท่านั้นนะแก้ปัญหาชีวิตได้ตั้งมากมายมหาศาลดันั้ในการเจริญนี่เราทำยังไงจึงจะเจริญได้เจริญเป็นและเจริญบ่อยๆเพราะว่ามีคุณค่ามากมายมหาศาลอย่างที่ว่าแต่ถ้าศึกษาไปอีกระยะหนึ่งนะข้างหลังจากพระองค์กล่าวถึงอ น, นิสงส์ของเมตตาเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยานะการเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์เมียนิสงตั้งเอกาทสา นิสังสารังกันเอากาทศสิบเอ็ดนิสังสา ก, ก็คืออ น, นิสงส์นั่นเองมีอ น, นิสงส์สิบเอประการนะสุขขังสุปติเป็นต้นนะหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นต้นซึ่งจะได้กล่าวต่อต่อไปแต่อันนี้อารัมพ บ, บทแทนบุกคคลก็ไม่มีปกินตะกะเลยก็วาดแทนนั่นเลยก็บอกว่าไม่งั้นเครื่องไม่ร้อนเข้าเรื่องไม่ได้ก็บอกว่าแปลกนะการแสดงธรรมนั้นนะ่ะ ถ้าจิตใจเราไม่รื่นเริงเรื่องที่บรรยายเนี่ยนะในหนังสือมันไม่น่าบรรยายสักคำเลย<ม>อ่านก็อ่านทือท่อๆไปก็โอ้ยนาฬิกามันอะไรจะหมดสักทีงนะแต่ถ้าเราจิตเป็นกุศลตั้บมองไปปั๊บโอ้มันน่าอธิบายทุกคําเลยดีหมดเลยถ้ากุศลไม่เจริญนะโอ้เหมือนดีสักอย่างเลยนะป<ม>ตายบิดดกยังไม่น่าอ่านนักเล่มเลยนะ<ม>เคยไหมอ่าทีนี้ต่อไปว่าการเจริญเมตตา ชั้นต้นเลยกฎิกามีอยู่ว่าการเจริญเมตตาจะเอาแบบเอาเป็นการเป็นงานนะเง<า>ื่อนไขมีอยู่ว่าหนึ่งต้องรู้จักบุคคลหกที่เป็นโทษของภาวนาบุคคลหกที่เราไม่ควรเจริญเป็นอันดับแรกแรกเริ่มเดิมทีเบื้องต้นเลยใครบ้างอ่ะหนึ่ง บุคคลที่เกลียดนะนะอปิยะเนี่ยไม่รักเขาเลยอะ่ะคนประเภทนี้ที่เราไม่รักก็ตรงกันข้ามก็คือชังนั่นแหละชังด้วยคนชังคนที่เราไม่ชอบก็อย่าพึ่งเจริญให้นะเพื่อนรักมากก็อย่าพึ่งเจริญให้นะคนธรรมดาธรรมดาก็อย่าพึ่งเจริญให้คนที่ผูกเวรจองเวรจองล้างจองผลานก็อย่าไปพึ่งเจริญให้ไม่ได้บอกว่าอย่าเจริญนะแต่ว่ารออีกหน่อยรออีกหน่อย ส่วนเพศตรงข้ามอย่าไปเจริญเจาะจงนะอย่าไปเอ่ยชื่อนั่งเจาะจงนี่ยนั้นแหละเดี๋ยวลําบากละเคาะฝาเรือนอยู่ทั้งคืนอย่เงี้ยไม่ไวแล้วทีนี้ต่อไปคนที่ตายแล้วไม่ต้องเจริญให้เลยเออแต่ถ้าเขาไปเกิดภพภูมิอื่นเรานึกถึงในลักษณะภพภูมิอื่นไปแล้วนะเขาไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอะไรแล้วก็เจริญไปในลักษณะนั้นไปแต่สมมุติว่าเออเรามีคุณปู่เงี้ยหรือปู่ของปู่ของปู่เส่องตายไปแล้วเนะี่ยขอให้คุณปู่มีความสุขเนี้ยไม่ต้องหรอกนั่นแหละ เพราะว่าไม่มีผลแต่ก็งั้นสิ่งเหล่านี้ก็เจริญกับสัตว์ใช่ไหมสัตว์นั้นแสดงว่ามีชีวิตเป็นอ่า น, นะคําว่าสัตว์นั้นอาศัยบัญญัติว่าสัตว์เพราะมีชีวิตตินสีนั่นเองอ น, นะเพราะเราจะเจริญเมตตาก็ต้องเจริญให้กับผู้ที่มีชีวิตแต่ชั้นต้นเลยเจริญให้ตัวเองก่อนอ น, นะ ถ้าเรามีเมตตาต่อตัวเองน้อยเท่าไรเมตตก็จะแผ่ออกไปข้างนอกน้อยเท่านั้นน่ถ้ามีเมตตาต่อตัวเองมากเท่าไรก็จะเจริญเมตตาให้แก่คนข้างนอกมากเท่านั้นเพราะคนที่มีเมตตาต่อตัวเองจริงๆนะจะทำให้มีศีลดีขึ้นก่อนในชั้นต้นเพราะคนที่มีเมตตาจะชาระกายกรรมที่มีโทษออกไป ชำระวรจีกรรมที่มีโทษออกไปเออเรานี่ต้องมาร้อนใจเพราะสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดอยู่เรื่อยเลยนะเนี่ยเราใช้วาจ า, าที่ทําให้เราต้องทุกข์ต้องเครียดต้องมานั่งกลัดกลุ้มกับการใช้ถ้อยคําเหล่านั้นเขาจะเริ่มสมาทานในการใช้ถ้อยคําใหม่การสมาทานใช้ถ้อยคําอันนี้เป็นกุศลกุศลไหนตามทันหรือเปล่าเนอสมาทานใช้ถ้อยคํานี้เป็นกุศลชั้นไหน ศีลนะมั่นใจหรือบ้าใช่นะเอ า, เอามั่นใจหน่อยเดี๋ยวว่าเอ๊ะพากลพูดไปโยมันนั่งตาเราห้อยไปจบเหมือนกันหมดเวลาเหมือนกันเราะฉนั <c oughs> ้นถ้าหากว่าคนที่มีเมตตาต่อตัวเองก่อนเนี่ยจะเริ่มสมาทานศีลกายกรรมที่มีโทษก็จะงดเว้นออกไปวจีกรรมที่มีโทษก็จะงดเว้นออกไปถามว่ากายกรรมวจีกรรมที่มันมีโทษมีโทษยังไง นะมีโทษยังไงโทษของกายกรรมวจีกรรมที่มีโทษก็คือพูดสิ่งใดแล้วต้องเสียใจในภายหลังคําพูดนั้นไม่ได้เกิดจากศีลแน่นอนทําสิ่งใดแล้วต้องมาเสียใจในภายหลังสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ศีลแน่นอนเพราะศีลย่อมนํามาเสื่งความไม่เดือดร้อนใจนะคนที่รักษาศีลได้จะไม่เดือดร้อนใจจะไม่วิปฏิสานเขาว่างั้นนะ กุกุจะเจตสิกจะไม่เกิดต่อจากศีลในขณะนั้นนแสดงว่ากุกุจะเจตสิกเกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากเรื่องกายกรรมวจีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะฮั้นคนที่มีเมตตาต่อตัวเองจะมีศีลดีขึ้นเมื่อมีศีลดีขึ้นก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ปรารถนาความสุขให้แก่ตัวเองใช่ไหมอันนี้ที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาหน่อยเสร็จ แ, แล้วก็ตั้งจิตจเจริญเมตตาให้กับตัวเอง เพราะอย่าลืมว่าสมถกรรมฐานที่เป็นสัมมาสมาธินั้นจะต้องมีอะไรเป็นเหตุใกล้อะ น, นะจิตตวิสุธทธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีศีลวิสุธทธิเป็นเหตุใกล้สีลวิสุธทธิ์อ่อนเท่าไหร่จิตตวิสุธทธิก็จะแผ่วเท่านั้นแหละนั่นแหละถ้าหากว่าศีลกายกรรมจีกรรมเป็นต้นเราไม่ค่อยดีน ะ, จะเจริญเมตตาให้กับตัวเองเมื่อไรก็เมตตาไม่ค่อยลงไง ทำไมไม่ค่อยลงเอาก็ทําเหตุแต่ความทุกข์ให้กับตัวเองประจําใช่ไหมด่าคนอื่นก็เท่ากับแช่งตัวเองอ่ะด่าเขาทีไรก็แช่งตัวเองเท่านั้นแหละเอ๊ขอให้ฉันมีความสุขฉันจะไปสุขได้ยังไงก็เที่ยวแต่ด่าคนอื่นเขาตําหนิคนอื่นบ่นว่าร้ายให้กับคนอื่นชาวนะเหล่านี้ก็เป็นอาบุศลทั้งนั้นเอ๊จะให้เรามีความสุขได้ยังไงเนี่ยเพราะเรากําลังทําเหตุแห่งความทุกข์นะคือคนที่จะเจริญอย่างนี้ดีไนดะอจะเจริญได้นั้นกรรมมศกาตาปัญญาต้องมั่นคงพอสมควรนะ คือรู้เหตุผลรู้เงื่อนไขทั้งหมดแล้วใช่ไหมเขารู้ว่าทานมีผลศีลมีผลการเจริญภาวนาเหล่านี้มีผลเขาเชื่อมั่นในผู้สอนวิชานี้ผู้ที่สอนวิชาพระมิหารคือใครพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่าความตรัสรู้ดีเหล่านี้ของพระองค์นั้นไม่ผิดพลาดแน่นอนมีกรรมมศกตาปัญญาเพรา ะ, ะนั้นเขาเจริญไม่ตาให้ตัวเองว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปั๊บก็ชำระถึงกายกรร ม, มจีกรรมส่วนในที่บกพร่อง ส่วนไหนที่ผิดพลาดก็บอกว่าถ้าเป็นพระคุณเจ้าก็อบัตติดตัวอยู่นะก็แสดงคืนก่อน้าอย่าไปนั่งเจริญต่อไปเลยเพราะสงบยาก น, นะสัมมาสมาธิจะเกิดยากกละลมกระแลมยากเต็มทีแล้วนั่นแหละเสร็จแล้วชาชําะกายกรรมวจีกรรมที่หมดจากโทษไปได้แล้วจะเบาเมื่อเบาปั๊บนะไม่ต้องขอร้องให้ตัวเองมีความสุขก็จะมีความสุขและ นึกถึงตัวเองยังไงก็เออนะเราเนี่ยทําเหตุแห่งความสุขอยู่นะขอให้รักษาความสุขอันนี้ต่อไปให้ดีเนะ้อหว่า ง, งั้นขอให้ปราศจากความทุกข์นะทุกโหก็คือความเบียดเบียนความทุกความทุกขอย่างใดอย่างหนึ่งอจะได้เกิดขึ้นแก่แก่เราเลยเราต้องการให้ความทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่เราไหมเออไม่มีเลยเราอยากมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ สุขทั้งโลกนี้ด้วยสุขวันนี้ด้วยสุขวันหน้าด้วยมันสุขไปยิ่งยิ่งถ้าได้นิพพานสุขด้วยยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมเราต้องการความสุขตลอดเลยอ่าเมื่อเราต้องการความสุขอย่างนี้เข้าคนที่มีเวเนี่ยเขาจะมีความสุขไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ผูกเวนต่อใครเลยนะใช่ไหมถ้าคนที่ผูกเวนบ่อยๆนะหาความสุขไม่ค่อยได้เอ๊เขาด่าเรานะเดี๋ยวเราต้องเอาคืนบ้งแต่อย่างนี้เรียกว่าเป็นเวรีปุคโลละ เป็นบุคคลที่ชอบจองเวรผูกเวรล้วก็นังนึกดูก่อนว่าเอ้เราเนี่ยเคยแช่งชักที่เรียกว่ามีแนวความคิดที่จะต้องไปเอาคืนใครบ้างมีหรือเปล่านั่นแหละถ้ามีแนวความคิดอันนั้นต้องกล้าส ม, มาทานว่าไม่เอาละเลิกละไอความคิดแบบนี้นะถ้าไม่เลิกเอ้ไอ้ด่าก็จะเอาไว้เมตตาก็จะเจรตมันจะยังไงยังไงอยู่เหมือนกัน ฟังฟังไม่เข้าใจเพราะนั้นเราต้องกล้าสมาทานที่จะเออไอแบบนี้ไม่เอาแล้วนะเพราะนั้นขอเราอย่าได้มีเวรเลยปรารถนาความไม่มีเวรอธิฐานความไม่มีเวรอย่าได้มีความเบียดเบียนอพยาปาชานี่ก็คือไม่เบียดเบียนหรือไม่พยาบาทขอเราอย่าได้มีความโกรธต่อผู้ใดผู้หนึ่งเลยอ ย, อย่าได้โกรธต่อตัวเองเลยเออบางคนเนี่ยโยมที่ที่เคยรู้จักมาเนี่ย เขาเป็นคนโทษตัวเองตลอดเลยนะเป็นคนโทษตัวเองตลอดตำหนิตัวเองถ้าอะไรก็ตามที่ตัวเองทำไม่มีดีสักชิ้นเลยอะเป็นคนที่ตำหนิตัวเองตลอดหาความภูมิใจกับตัวเองไม่ได้ไม่ให้เกียรตจกับตัวเองเลยอย่างเงี้ยเออคนอย่างงี้ก็มีเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ต้องเอาใหม่นะเราอย่าได้ผูกโกรธอย่าได้ตำหนิตัวเองบ่อยๆนะอย่าได้ชิงชังอาฆาตพยาบาทให้ตัวเองบางคนเนี่ยตีโพยตีพายมากเลยเช่น ไปทําให้คนอื่นเขาเสียใจยเสร็จแล้วมานั่งตําหนิตัวเองเราไม่น่าทําอย่างนี้เลยอย่างงั้นอย่างเนี้นะตำหนิตัวเองค่อนข้างมากอันนี้เราต้องสมาทานเพื่อที่จะจะได้มีแนวความคิดอันนั้นเลยนะตั้งจิตเอาใหม่ตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ให้ดีว่าแนวความคิดเหล่านั้นจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกการอธิษฐานนี่มีผลไหมมีผลมากมายมหาศาลเช่นอธิษฐานว่าเราจะรักษาศีลใช่ไหมจะรักสมาทานศีลแปดอย่างเงี้ยโอ้มันรักษาได้เหมือนกันใช่ จัดฟันสู้สักวันหนึ่งาการสมาทานนี่มีผลถ้าคนที่ตั้งใจสมาทานถ้าสมาทานเป็นสมาทานบ่อยๆจะมีผลขนาดไหนอย่ฟังดูแล้วมันน่าจะดีคือจิตที่ตัณฑ์นี่จิตชนิดไหนโทสะแล้วใช่คืออย่างทั้งโลกเขาก็บอกว่าการที่ตํัณฑ์ตัวเองเนี่ยเจะ คนที่ตำหนิตัวเองได้ก็หาไม่ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่า <c oughs> คือไอ้ตำหนิตัวเองเนี่ยก็แสดงว่าเอาคำสอนก่อนนะคำสอน <c oughs> ว่า <c oughs> การที่เธอทั้งหลายเห็นโทษโดยความเป็นโทษถึงความสำรวมระวังต่อไปนั่นเป็นความเจริญในอริยวินัยนี้ <c oughs> นะแต่ไม่ได้ว่าแกนี่เร็วมาก <c oughs> ไม่ดีเลยคือคื อ, คอไม่ใช่ตำหนินะแต่เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วถึงความสารวมระวังต่อไป คือตระหนักถึงโทษภัยอันนั้นแล้วสำรวมระวังต่อไปอันนี้ไม่เป็นวิปฏิสารแต่ถ้าคนที่ทําอะไรแล้วตาหนิตัวเองนั่นคืออาการของวิปฏิสารแต่วิปฏิสารจะมีสําหรับลัทธิบุคคลนะเขาเรียกว่าเป็นโรคของคนดีนะคนเลวไม่มีสิทธิป่วยแบบโรคแบบนี้ง่า ย, ายๆทางความคิดแบบนี้แต่จะหาคนที่มีแนวความคิดตําหนิตัวเองก็หายากแล้วแหะแต่ความคิดอันนั้นตามคําสอนของเราก็ชื่อว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเหมือนกัน เป็นอกุศลเป็นกุกุจะนะเป็นความเดือดร้อนใจนะเป็นความเดือดร้อนใจตำหนิตัวเองแต่ในแนวคำสอนของเรานะั้นะ่ะไม่เคยมีคำสอนส่วนใดที่ให้เสียใจร้องให้ฟูมไฟเพราะพฤติกรรมการกระทําแต่ให้ตระหนักถึงโทษอันนั้นก็เหมือนกับเคยเคยเล่าว่ า, าความรู้บางอย่างปัญญาบางอย่างเนี่ยเช่นอ า, อาทีนวายานี่เห็นโทษ แต่ถามว่าเขากลัวไหมโกรธไหมไ ม, ไม่กลัวไม่โกรธแต่ตระหนักถึงโทษอันนั้นจริงจนะการที่เราทั้งหลายเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันตันหนักถึงโทษอันนั้นจริงๆเสร็จแล้วก็ตั้งใจสังวรสำรวมระวังเอาใหม่นะเพราะาการสังวรตัวนั้นแหละเป็นกุศลแต่ถ้าตาหนินึกตาหนินึกว่าร้ายนึกอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่กุศลละ พันเจริญแบบนี้ว่าขอข้าพเจ้าอย่าได้มีความพยาบาทต่อต่อใครเจริญให้ตัวเองอะ น, นอะตัวเองโอ้สาธุเก่งมากเอามาทานบ่อยๆเน้ออย่าได้เกิดโทสะบ่อยๆนั่นแหละทีนี้ต่อไปนะอนีโคโฮมิเนี่ยก็คืออย่าได้มีความทุกข์นะ ความทุกข์ใดๆทุกชนิดในโลกนี้นะที่คนเกิดขึ้นแล้วเข้าทุกข์อ่ะความทุกข์อันนั้นเราต้องการไหมเราไม่ต้องการใช่ไหมยอย่าลืมว่าการคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานแห่งการเจริญเมตตาต่อๆไปถ้าคนที่เมตตาต่อตัวเองมากเท่าไหร่ก็จะเห็นใจคนอื่นเมตตาต่อคนอื่นมากเท่านั้นเหมือนกันแต่ถ้าหากว่านั่งนึกอย่างนี้แล้วหาความเห็นอกเห็นใจให้กับตัวเองไม่ได้หาเมตตาให้กับตัวเองไม่ได้ ไอ้เมตตาที่จะมีต่อคนอื่นนี่ก็แสดงว่าแผ่วเบาวเต็มทีขนาดตัวของตัวเองซึ่งเป็นที่รักของสัตว์เขาบอกว่าในโลกนี้ไม่มีใครเป็นที่รักเท่ากับตัวของเรานะในโลกนี้คนดีที่สุดก็คือเรามั้งเนาะนั่นแหละเพราะนั้นเราถ้ า, าขนาดตัวเองแล้วเราก็ยังยังไม่อวยพรยังไม่ให้พรปีใหม่ให้ความสุขเกิดเลยเนี่ยนะก็แสดงว่าต่อคนอื่นนี่ก็เต็มทีมั้งไอ้ที่ไปชมคนอื่นก็ชมตามมารยาทสังคม นั่นแหละมารยาทสังคมก็ว่าเอ อ, อยังงี้ดีนะหรืออาจจะมีผลต่อด้านกิจการงานด้านอื่นๆก็ว่ากันไปเป็นรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีนิยมไปแต่ว่าโดยใจยจริงแล้วก็มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ขอให้มีความสุขบริหารตนเถิดว่างั้นความสุขใดๆที่จะพึงมีขึ้นนะที่จะทำให้ตัวเองได้รับความสุขสุขทั้งโลกนี้สุขทั้งโลกหน้าแล้วเป็นไปเพื่อความสุขอย่างยิ่ง คือพระนิพพานเนี่ยนะความสุขเหล่านั้นเราจะได้เพราะเหตุใดขอให้ตั้งใจเอาแบบนี้ต่อไปนะใล้ๆกับว่ารู้จักให้กำลังใจของตัวเองเป็นเนี่ยนะอันนี้เป็นบริกรรมเป็นพื้นฐานของการเจริญเมตตาแต่ทีนี้เข้ามีคำท้วงคทักท้วงขึ้นในลักษณะผู้เชี่ยวชาญคำพีด้วยกัน น, นะคำท้วงของเราเอ๊เจริญอย่างนี้ไม่เป็นอัตตาเลย อันนี้นี่คือคำท่วงแบบสมัยนี้แต่ถ้าคำคาท่วงแบบคำพีเนี่ยท่านกล่าวว่าเอ๊ทำเป็นอย่างนี้จะไม่ขัดกับพระดำรัสในพุทธพจน์หรื อ, อ น, นะทำไมอะ่ะเพราะอย่างในคำพีวิพังวิพังคืออภิธรรมวิพังอัปมัญญาวิพังกล่าวว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายอย่างไรเล่าพิสูุชื่อว่าแพร่ชื่อว่าแพร่ไปสู่คิดหนึ่งด้วยใจอันสหรคตด้วยเมตาย่ คืออย่างไรเนี่ยชื่อว่าแผ่เมตตาไปในที่หนึ่งโยูก็ตอบว่าเปรียบเหมือนว่าบุคคลเห็นบุคคลหนึ่งซึ่งน่ารักปิยะปุโคโลนะบุคคลที่น่ารักน่าชอบใจก็คือมนาปะที่น่าชอบใจก็พึงเจริญเมตตาไปแม่ฉันใดพิษุก็ย่อมแผ่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งปวงฉันนั้นเหมือนกันนะคำพีวิพังกล่าวอย่างนี้นะ เสร็จแล้วท่านก็ยังยกคัมภี์อื่นอีกบอกว่ายังคัมภี์ปฏิสัมพิธามักเนี่ยเขาบอกวิธีการเจริญเมตตาไม่ได้เจริญอย่างนี้นี่เขาเจริญว่าเมตตาเจโตวิมุตต์เนี่ยมีความแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการห้าอะไรบ้างนะวิธีการเจริญเมตตาในปฏิสัมพิธามักในหัวข้อหัวข้ออะไรเมตตาปรมาญญาในในปฏิสัมพิธามักอะท่านก็เลย ถามเองและท่านก็ตอบเองว่าเมตตาเจโตวิมุตตมีความแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการหอย่างนี้คือหนึ่งนะสัพเพสตาอเวราอพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารตุสัตทั้งห้ายทั้งปวงมาจากสัพเพสตาเนี่ยนะสัพเพแปลว่าไม่มีเหลือหมดเกลี้ยงเลยสัตว์เนี่ยนะหมดเกลี้ยงอเวราจงเป็นผู้ไม่มีเวรอพยาปชา ไม่มีความพยาบาทไม่มีความเบียดเบียนเหมือนก้นอานิคาไม่มีความทุกข์สุขีอัตนางบริหารันตุมีความสุขบริหารตนเถิดนะก็คือมีแต่เจริญไปหาคนอื่นใช่ไหมอย่างข้อหนึ่งอย่างข้อ2ก็สัพเพปานาสัพเพสัพเพปานาเวราพยาปชาอานีคาสุขีอัตนางบริหารันตุปานะก็คือสัตว์ผู้เนื่องด้วยลมหายใจเข้าออกเหมือนกัน ปานสัตว์ทั้งหลายที่มีลมหายใจเข้าออกจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทไม่มีความทุกข์นะมีความสุขบริหารตนเถิดอย่างเงี้ยเนี่ยข้อหนนะข้อ1ปานาข้อเอ่อข้อหสัตตาข้อ2ปานาข้อ3ภูตาสัพเพภูตาเวราอัพยาปชานีคาสุขีอัตนางปริหารตุเนี่ยนะว่าพูดพูดก็คือสัตว์ที่เกิดมาแล้วทั้งหลายทั้งปวง นนะพูดในที่นี้หมายถึงสัตว์นะสัพเพปุคลาบุคคลทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอตัตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุเนี่ยผู้นับเนื่องในอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทไม่มีความทุกข์มีความสุขบริหารตนเถิดดังนี้เป็นต้นแล้วท่านยังบอกในคำภีร์อื่นอีกนะท่านคนที่ท้วงนี่เขาทวงแบบคนรู้คำภีอ่ะอ่างมาทิ้งสามสี่เล่มนะในการทักท้วงอ่ะ ท่านอ้างในเมตตาสูตรในคุธกะปาทะและเมตตาสูตรในสุตตานิบาตเลยยกมาสองคำพีว่าสุขิโนวาเคมิโนหุ่นตุสัพเภสตาพวันตุสุขิตตานะปรโรปรังในกุเปทะเป็นต้นนะนะที่ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะนะสัพเพสตาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสุขิโนจงเป็นผู้มีความสุขเคมิโนมีความกเกษมนะนะ มีเอ่อพวันตุสุขิตาตาเนี่ยมีตนถึงแล้วซึ่งความสุเพอเนี่ยก็คือจเจริญเมตตาให้สัตว์ทั้งหลายดังนี้เป็นต้นคําพูดในคำภีวิพังเป็นต้นนั้นก็ผิดไปนะซิเพราะว่าในคํานั้นไม่ได้กล่าวถึงการจเจริญเมตตาในตนเองไว้ดังนี้เลยนะเออในจเจริญแบบนี้นอกคมพีหรือเปล่ามันกัน <c oughs> เพราะในคมพีอื่นๆมีแต่จเจริญให้แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ไ, งไม่เห็นจเจริญให้ตัวเองก่อนเลย เฉลยว่าก็คำในคำภีวิพังเป็นต้นนั้นไม่ผิดรอกคำพีท่านไม่ผิดรอกเพราะเหตุไรเพราะคำนั้นตัดไว้โดยเกี่ยวกับอัปนาเออเนข้อความในคำพีเหล่านั้นชานทั้งนั้นเลยอันนี้ยังไม่ได้ชานใช่ไหมที่กำลังพูดนี้ยังไม่ถึงขั้นชานแต่ว่าข้อความในคำพีเหล่านั้นนะทั้งในคำพีวิพังคำภีปฏิสัมพิธามักคำพีคุถะกะปาฐะคีสุตตานิบาตอ่ะ หรือว่าในที่อื่นๆอีกหลายแห่งนั้นอะเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องฌานจิตทั้งนั้นเป็นเรื่องได้ฌานไปแล้วอะประมาณยาได้ฌานไปแล้วแต่คําว่าเราจงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุขเทิดนะที่เจริญเมตตาให้กับตัวเองใช่ไหมอังสุกิโตโฮมินิทุโคโฮมิอเวโรโหมิอพยาปโชโหมิอณีโคโหมิสุขีอัตานังปริหารามิเนี่ยถ้อยคําเหล่านี้เนี่ยที่หวังดีปรารถนาดีต่อตัวเองจริงๆนั้นน่ะ กล่าวไว้โดยเกี่ยวกับทําตนให้เป็นพยานนะพยานเมตตาถ้าทางโลกเขาใช้คําว่าพยานรักใช่ไหมแต่นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะพยานแบบนั้นไม่เอาเอาพยานในที่นี้ก็คือเอาตนเองเป็นพยานในความหวังดีความปรารถนาะดีความที่จะให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยต้องการความสุขจริงๆไม่ได้หลอกลวงไอ้ความสุขที่เราอยากให้คนอื่นเน่ยเป็นความสุขเองอะเราเองก็ต้องการความสุขอันนั้นแหละนั่นแหละ อันั้นความสุขที่ให้ไม่ใช่ความสุขหลอกลวงว่างั้นท่านก็เลยอธิบายว่าจริงอยู่เนี่ยนะคว่าจริงอยู่ในสานวนคมภีเจอที่ไหนขอให้รู้วันแนวคำอธิบายซึ่งข้างล่างนั้นเป็นคำอธิบายข้อความข้างบท น, นะท่านอธิบายว่าแม้หากว่าบุคคลจะเจริญเมตตาไปหาตนจเจริญไปหาตัวเองเนี่ยนะโดยนายเป็นต้นว่าขอเราจงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุขเธอดังนี้เป็นต้น ตลอดร้อยปีหรือพันปีมมีอายุถึงหรอป่เนาะจะคิดอย่างเงี้ยคิดให้แต่ตัวเองมีความสุขอย่างเงี้ยอัปปนาก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เขาเลยจเจริญอย่างนี้อีกร0อยปีก็ไม่ได้ช้านว่างั้นแต่เมื่อจเจริญไปว่าเราจงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุขเถิดดังนี้กระทำตนเองให้เป็นพยานว่าเรานี่เป็นผู้รักสุขเกลียดทุกข์และอยากเป็นอยู่ไม่อยากตายฉันใด แม้สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็ฉะนั้นเหมือนกันดังนี้ดังั้นความเป็นผู้ใคร่ประโยชน์สุขในสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็ย่อมจะเกิดขึ้นใช่ไหมพยานแห่งเมตตาว่างนันเออเราต้องการความสุขนะสัตว์ทั้งหลายเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกันเรานี้ต้องการความไม่มีทุกข์ความไม่มีโศกไม่มีโรคภัยต่างๆเหล่านี้ยสัตว์ทั้งหลายเขาก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันนะความเห็นปกเห็นใจความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนก็จะเกิดขึ้น นะเขาบอกเรานี่อยู่เรียกว่าลงเรือลาเดียวกันเ่รนะแต่ไม่ใช่ว่าโอ้นายเรือต้องมีคนเดียวอย่างเงี้ยถ้าฉันอยู่แกต้องไม่อยู่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอนะอย่างนั้นไม่มีเมตตานะโลกนี้มันก็คับแคบและอย่างหนึ่งนะแม้แต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ตรัสว่าบุคคลตามคน้นหาด้วยใจตลอดทิศทั้งปวงอ่ะนะในทิศไหนๆก็ไม่พบผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตนนะคิดเหรอ ไล่ไปเลยทิศตะวันออกเนี่ยนะใครที่เรารักที่สุดเนี่ยนะมากเท่าเรามีไหมในทิศตะวันออกในทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศข้างบนทิศข้างล่างเนี่ยเรารักพรมกับรักตัวเองเนี่ยรักอันไหนมากกว่าเนี่ยทไปทํามาก็เออเกิดเรานี่แหละรักตัวเองที่สุดเหมนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นอ่าดังนี้ก็ทรงแสดงนัยนี้นั่นเองก็คือเป็นพื้นฐานแห่งการเจริญเมตตาต่อไปอ่ะ